คถาเรื่องจิตโดยพันเอกปิ่นมุทุกันบทที่1ความเบื้องต้นขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังก่อนที่จะได้นาท่านเข้าสู่ปัญหาเรื่องจิตข้าพเจ้าก็ขอเรียนให้ทราบไปด้วยว่าพอข้าพเจ้าตกลงใจว่าจะแสดงปาถักคถาเรื่องนี้อารมณ์สองอย่างก็เกิดขึ้นในจิตของข้าพเจ้าคือหนึ่ง หนักใจที่ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือแตกฉานในเรื่องนี้อยากจะบรรยายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเจียมแจ้งที่สุดก็เกรงว่าจะทำไม่ได้ดังใจนึกและ 2. เรื่องจิตนี้เป็นเรื่องแห้งแล้งฟังไม่สนุกเกรงว่าท่านผู้ฟังจะเบื่อเสียก่อนที่จะได้ติดตามฟังเรื่องอันสำคัญนี้จนจบซึ่งจะต้องใช้เวลาแสดงถึง5ครั้งและเรื่องจิตนี้เป็นเรื่องที่มีแขนงแยกแยะมาก การบรรยายจะต้องสืบสาวไปหลายรกระแสเกรงว่าข้อนี้จะทําให้ท่านผู้ฟังเกิดความฟั่นเฟือหรือบางทีอาการที่กล่าวนี้อาจเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าผู้แสดงก็ได้จึงขอเรียนปรับความเข้าใจไว้ก่อนว่าเรื่องจิตนี้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนมากข้าพเจ้าเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องจิตทั้งโดยทางปริยัตทั้งโดยทางปฏิบัติ เป็นแต่เพียงผู้หนึ่งซึ่งสนใจในการศึกษาและปฏิบัติจิตเท่านั้นและการแสดงปาฐกถาเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ขอรับหน้าที่เพียงเป็นผู้นำความซึ่งกระจัดกระจายกันอยู่ในคำพีหรือตำราทางพระพุทธศาสนาเท่าที่ข้าพเจ้าเคยพบและได้รับคำอธิบายจากท่านผู้รู้มาจัดสรรปรุงแต่งเป็นเรื่องราวอันเดียวกันแล้วนาขึ้นเสนอท่านผู้ฟัง โดยประกอบถ้อยคำและเหตุผลบางอย่างของข้าพเจ้าเพื่อให้ฟังง่ายขึ้นบ้างเท่านั้นถ้าจะพูดอีกทีก็ต้องว่าอาหารห้ามื้อที่จะได้รับประทานต่อไปนี้ข้าพเจ้าเลือกซื้อแต่ที่เขาปรุงสำเร็จมาแล้วจัดโต๊ะไม่ใช่ฝีมือการปรุงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้จัดหาและปรุงน้าจิ้มน้าปลาบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วเรื่องจิตนี้มีกิ่งก้านสาขาอยู่มาก ซึ่งข้าพเจ้าจะเว้นไม่บรรยายถึงก็ไม่ได้จึงขอเชิญชวนท่านผู้ฟังพยายามจับแนวความให้ได้โปรดเข้าใจว่าข้าพเจ้าตั้งใจจะพูดเรื่องแม่น้ำเจ้าพระยาแต่การพูดเรื่องแม่น้ำเจ้าพระยานั้นจะต้องพูดถึงแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านด้วยคือชักมาทีละสายละสายบรรจบกันเข้าแล้วจึงจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ว่าเรื่องจิตเป็นเรื่องแห้งแล้งไม่สนุกชวนง่วงนั้นก็อาจเป็นเช่นนั้นจริงเหมือนกับเราล่องเรือมาแต่ต้นน้ำเจ้าพระยาผ่านปาผ่านทุ่งก็ไม่มีอะไรจะให้สนุกแต่ถ้าพยายามล่องไปไม่หยุดพอถึงตอนผ่านบ้านผ่านเมืองหูตาก็จะสว่างเองคนเป็นอันมากมักจะมีความคิดเห็นว่า การปฏิบัติจิตเป็นเรื่องของพระเจ้าพระสงฆ์หรือเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่ที่เบื่อหน่ายโลกีเต็มทีแล้วอยู่ในศีลกินในเพนหรือเป็นคนที่หมดทุระหน้าที่ปรชราแล้วเท่านั้นสำหรับคนที่ยังหนุ่มสาวหวังความสนุกสนานทางโลกอยู่หาควรที่จะมาเสียเวลาในเรื่องเช่นนี้ไม่ครั้งบังเอิญมีคนหนุ่มสาวผู้ใดไปสนใจเรื่องจิตใจเข้า ก็พากันค่อนขอดหาว่าเขาเป็นคนคฤื้ล้าสมัยผู้ที่เห็นอย่างนี้มีสองจมพวกคือพวกหนึ่งมีความคิดเห็นอย่างนี้เป็นของตนจริงๆอีกพวกหนึ่งคร้านที่จะปฏิบัติแม้ตนจะเห็นว่าเป็นทางให้เกิดผลดีก็พยายามลวงตัวเองว่าไม่ดีเหมือนกับคนไข้เกลียดยาควินินน้ำแม้ใจจริงจะรู้อยู่ว่าควินินน้าดีแก้ไข้ได้ควรกิน แต่ก็ลวงตัวเองว่าขี้นินนำไม่ดีอยู่ร่ำไปอันที่จริงทุกคนควรจะได้ถือเป็นหน้าที่อันสำคัญและจำเป็นยิ่งในการศึกษาอบรมจิตของตนและแม้ในการอบรมสั่งสอนบททิดาตลอดจนผู้อยู่ในปกครองก็ควรจะได้มุ่งอบรมสั่งสอนให้เข้าถึงจิตใจของเขาให้มากจึงจะได้ผลแนบเนียนและยั่งยืนประโยชน์แห่งการศึกษาอบรมจิต ทุกคนได้ยอมรับอยู่แล้วว่าตนรักสุขเกลียดทุกข์ถ้าจะถามว่าสุขที่เรารักและทุกข์ที่เราเกลียดนั้นเกิดจากอะไรก็จะตอบได้ว่าเกิดจากการกระทำทางกายการพูดทางปากและการคิดนึกทางใจเป็นเหตุคือถ้าทำดีพูดดีคิดดีก็เป็นสุขถ้าทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วก็เป็นทุกข์ลองไล่เลียงเข้าไปอีกว่าเพราะเหตุไร กายปากและใจจึงทำพูดคิดอย่างนั้นก็จะพบว่าเพราะจิตเป็นผู้สั่งให้ทำให้พูดให้คิดตามลำพังอวัยวะร่างกายถ้าปราศจากจิตใจแล้วจะทำงานเองไม่ได้ดูแต่คนที่ตายแล้วร่างกายยังอยู่ครบปากก็มีมือเท้าก็มีแต่ก็ทำอะไรพูดอะไรไม่ได้นั่นเพราะในร่างกายของคนที่ตายแล้วขาดผู้สั่งงานคือจิต จิตนอกจากทำงานเป็นผู้สั่งให้กายทำให้ปากพูดแล้วลํำพังจิตเองก็ยังอาจคิดนึกให้เกิดทุกข์เกิดสุขขึ้นในตัวอีกทางหนึ่งต่างหากด้วยเช่นคิดโกรธเขาคิดทำร้ายเขาคิดริษยาเขาเหล่านี้เป็นเหตุให้จิตเป็นทุกข์ถ้าเลิอกอาการที่ว่านี้เสียได้จิตก็เป็นสุขนี้เป็นทุกข์สุขส่วนที่เกิดกับใจเองเป็นนั้นว่า ความสุขความทุกข์ทั้งมวลที่มนุษย์เราได้รับอยู่มีการกระทำทางกายการพูดทางปากและการคิดนึกทางใจเป็นเหตุโดยในนี้จะเห็นได้ว่าจิตนั้นเองเป็นรากเหง้าเข้ามูลของความสุขความทุกข์การอบรมศึกษาเรื่องจิตจึงนับว่าเป็นการเข้าถึงต้นตอของความสุขความทุกข์โดยแท้ทุกคนอยากได้สุขเกลียดความทุกข์แล้วจะมีอะไรอีกเล่าที่ทำให้ลงความเห็นว่า การศึกษาและปฏิบัติจิตซึ่งเป็นการเข้าถึงต้นเขาของความสุขความทุกข์นั้นไม่ใช่หน้าที่ของตนเว้นจากการปฏิบัติจิตของตนให้ดีเสียแล้วคนเราจะชื่อว่าได้ทำหน้าที่ของผู้รักสุขเกลียดทุกข์ให้สมบูรณ์ไม่ได้เลยข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนกับสัตว์อันหนึ่งข้าพเจ้าจะขอประธานโทษที่จะพูดว่า มนุษย์เราเสียเปรียบสัตว์เดรัจฉานาอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องค่าตัวคือสัตว์เดรัจฉานาเช่นสุกรเป็ดไก่โคกระบือมันมีค่าตัวของมันมาแต่กำเนิดเพียงแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นต น, ตนตแล้วกินกินนอนๆอยู่เท่านั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องผัดแป้งแต่งตัวไม่ต้องนุ่งกางเกงสวมเสื้อไม่ต้องเรียนหนังสือ ตัวของมันก็มีค่ามีราคาเป็นที่พึงพอใจของมนุษย์บางทีถึงกับแย่งกันซื้อด้วยราคาแพงๆที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เอาไปใช้แรงบ้างเอาไว้เพื่อการอื่นๆบ้างสัตว์ที่ตายแล้วหมดทั้งเนื้อทั้งตัวของมันก็ยังมีราคาซื้อขายกันได้ตั้งแต่ขนเข้าไปจนถึงกระดูกสัตว์บางชนิด เมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นที่เกลียดชังของคนยิ่งนักเช่นจระเข้งูเสือและอื่นๆแต่พอมันตายแล้วอวัยวะบางส่วนของมันก็เป็นที่ต้องการของมนุษย์เช่นเอาหนังมาทำกระเป๋าทำเข็มขัดทำรองเทา้าและของใช้อื่นๆซื้อขายกันในราคาแพงๆนี่เพราะสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นมันมีค่าตัวอยู่ในเนื้อหนังของมันเองไม่ต้องตกแต่งมั น, มนก็มีค่า แต่คนเราหาเป็นเช่นนั้นไม่ลองนึกดูกเถิดเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยังไม่สำเร็จต้องตกแต่งเพิ่มเติมกันอีกน้ำต้องอาบผมต้องหวีหน้าต้องผัดฟันต้องแปลงต้องมีเสื้อผ้าหุ้มหอ่อต่อเติมส่วนนอนส่วนนี้กันยุ่งไปหมดต้องศึกษาเล่าเรียนแต่งสมองแต่งจิตใจจึงจะใช้ได้ที่เรียกว่ามีราคา ถ้าสมมติว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่แต่งอะไรเพิ่มเติมอีกเลยน้ําไม่อาบผมไม่หวีไม่เล่าไม่เรียนเพียงแต่กินกินนอนๆ อ, อยู่อย่างเป็ดอย่างไก่ที่ว่านั้นจะเป็นอย่างไรจะมีราคาค่าตัวไหมเปล่าทั้งนั้นเพียงแต่ไม่อาบน้ํากระทงเดียวเท่านั้นเราก็ไม่อยากนั่งใกล้เสียแล้วคนอย่างว่านี้ไม่มีใครต้องการไม่ต้องพูดถึงว่าจะเป็นราคาแลกเปลี่ยนเลย แม้ยกให้เปล่าๆจะหาคนรับก็ดูจะขัดสนเต็มทีเพราะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรคนเราไม่ต้องพูดถึงว่าขาดแต่งเพียงแต่อ่อนแต่งเท่านั้นเอาไปใช้การอะไรก็ไม่ดีเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ดีเป็นผู้น้อยก็ไม่ดีเป็นผัวเขาก็ไม่ดีเป็นเมียเขาก็ไม่ดีเป็นลูกจ้างเขาก็ไม่ดีเป็นนายจ้างเขาก็ไม่ดีคือเป็นอะไรเป็นเอาดีไม่ได้ เป็นได้ก็สักแต่ว่าแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนด้อยราคาอย่างนี้เสร็จแล้วตายแล้วจะสิ้นค่าสักเพียงไหนเห็นจะไม่ต้องพูดถึงเนื้อหนังมังสาของคนที่ตายแล้วใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มีแต่คนรังเกียจไม่เหมือนเนื้อหนังของสุกรเป็ดไก่ซึ่งมีแต่คนอยากได้ถ้ามีใครเขาเอาเนื้อหมูมาให้ท่านสักพวงหนึง่งท่านก็คงจะนึกว่าเป็นลาบ แต่ตรงกันข้ามถ้าใครอุตรีเอาเนื้อคนมาให้ท่านท่านก็จะนึกว่าเป็นเคราะห์เป็นลางที่เป็นดังนี้เพราะมนุษย์เราไม่มีค่ามาแต่กําเนิดค่าตัวของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในเนื้อหนังของตนเองแต่อยู่ที่การแต่งใครแต่งได้ดีมากก็มีค่ามากใครแต่งได้ดีน้อยก็มีค่าน้อยใครไม่แต่งเลยก็ไม่มีค่าเลย นี่เป็นข้อที่มนุษย์เสียเปรียบสัตว์เดรัจฉานแต่ข้อที่มนุษย์ได้เปรียบก็มีคือสัตว์เดรัจฉานนั้นแม้ธาตุขันของมันจะมีค่ามาแต่กำเนิดก็เป็นราคาตายตัวคือมีค่าเท่ากับเนื้อตัวของมันที่มีอยู่เท่านั้นความดีของมันอยู่ในวงจำกัดเพระาะธาตุขันของมันแต่งไม่ขึ้นเหมือนกับตุ่มใบเล็กจุน้ําน้อยถึงฝนจะตกสัก500ร้หา ก็คงขังน้ำได้เท่าตัวของมันเท่านั้นส่วนธาตุขันของมนุษย์แม้จะไม่มีค่าอยู่ในเนื้อในตัวมาแต่กำเนิดก็จริงแต่เป็นธาตุขันชนิดที่เหมาะแก่การแต่งแต่งแล้วเก่งกล้าสามารถกว่าสัตว์ทุกจำพวกทั้งในแง่การใช้กำลังกายทั้งในแง่การใช้สมองคิดอาจกล่าวได้ว่าถ้าใครเป็นคนรู้จักแต่งและขยันแต่งแล้ว ก็มีทางที่จะทำตนเองให้ดีขึ้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดทีเดียวธาตุขันของมนุษนั้นถ้าตกแต่งให้ดีถึงขนาดแล้วไม่ใช่เพียงแต่จะเป็นสิ่งมีค่าและควรแก่ความเป็นอยู่ด้วยดีในโลกเท่านั้นแต่ย่อมควรเก่การสการาบูชาอยู่ชั่วนิรันดร์ด้วยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนักปราชันบนรรพบุรุษของเรา ได้ตรหนักในความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนกับสัตว์ดังกล่าวแล้วจึงได้ผูกสุภาษิตเป็นคำพังเพยไว้สอนลูกสอนหลานต่อๆมาว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งสุภาษิตข้อนี้ถ้าคิดดูให้ดีแล้วกินความซึ้งมากเป็นกรอนที่กลั่นออกจากสมองของนักปราชไมิใช่ความคิดของคนสามัญท่านผู้แรกผูขึ้น คงจะหวังให้เป็นสุภาสิทธิที่ประทับแน่นอยู่ในจิตใจของอนุชนจริงๆจึงได้แฝงคำแทงใจไว้ลองคิดดูความในสุภาสิทธินี้ยกตัวอย่างการสำคัญคือไก่กับคนหรือจะพูดว่าสัตว์กับคนก็ได้จำเป็นอะไรท่านจึงเอาคนไปเทียบกับสัตว์จะเอาไปเทียบกับเทวดาบ้างไม่ได้หรือข้อนี้แหละที่ข้าพเจ้าพูดว่า ท่านได้แฝงคำแทงใจไว้ในสุภาษิตเพื่อให้เป็นคำติดแน่นอยู่ในจิตใจของคนจริงๆย่ให้เราคิดโดยเอาไปเปรียบเทียบกับสัตว์ซึ่งเป็นฝ่ายต่ากว่าสุภาษิตข้อนี้เท่ากับบอกเราว่าไก่หรือสัตว์เดยรย์ฉานทั้งหลายมันงามมาแต่กำเนิดมันงามที่ขนที่หนังของมันเองค่าของมันอยู่ในเนื้อในตัวของมันแล้วมันไม่ต้องแต่งมันก็งามแต่เราเป็นคน ไม่ใช่งามที่ขนที่หนังงามที่แต่งต้องแต่งจึงงามถ้าไม่แต่งเป็นไม่งามบนอุราคาสู้ไก่ไม่ได้สุภาษิตข้อนี้อ่านง่ายจำง่ายและได้มาง่ายง่ายพื้ น, นข้าพเจ้าเองก็จำไม่ได้ว่าได้เรียนรู้สุภาษิตข้อนี้จากใครและแต่เมื่อไหร่จำได้แต่ว่าเคยพูดเล่นตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะเป็นของไดมาง่ายอย่างนี้แหละคนเราจึงไม่ค่อยสนใจ แม้ว่าท่านจะได้แฝงคำแทงใจไว้ยั่วให้คิดก็ไม่อยากคิดที่คิดก็เพียงคิดเผลอๆไม่ถึงแก่นของสุภาษสิทธิ์เดิมทีข้าพเจ้าคิดเพียงว่าถ้าจะดูไก่ว่าตัวไหนงามหรือไม่งามก็ต้องดูที่ขนของมันและคนเราจะเป็นคนสวยงามก็ต้องด้วยเข้าใจแต่งหน้าทาแป้งเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมดังนี้เท่านั้นมาภายหลังจึงได้สานึกว่า ที่คิดอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่ไม่ซึง้งไม่คุ้มค่าของสุภาษิตเท่ากับเอานิ้วมืออย่างลงในน้ำใจกลางมาหาสมุทรแล้วคิดว่าตนเป็นผู้อย่างรู้ความลึกของมาหาสมุทรแล้วนั่นเองแม้ทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ายังมีคนเป็นจำนวนมากที่เข้าใจคำว่าแต่งผิวเผินเกินไปคือเข้าใจเพียงว่าหมายถึงการแต่งร่างกายให้สวยงามทันสมัยเท่านั้น ในที่ทั่วไปจึงมีการประกวดประชันชิงดีชิงเด่นกันแต่เพียงผิวผิวพากันมุ่งหนักไปแต่การแต่งร่างกายคนทั้งหลายก็พากันกระเสือกกระสนขวนขวายหาเสื้อผ้าอาภรณ์เพชรนินจินดามาไว้แต่งตัวครั้นได้ประกอบสิ่งเหล่านี้เข้ากับตัวแล้วก็อิ่มใจนึกว่าตนได้เป็นคนงามเพราะแต่งแล้วที่ถูกควรตั้งปัญหาขึ้นพิจารณาเป็นอย่างๆว่า คำว่าคนหมายถึงอะไรรู้ความหมายของคำว่าคนแล้วจึงค่อยคิดอ่านต่อไปว่าที่ว่าแต่งค น, นะจะแต่งที่ไหนแต่งอย่างไรเอาอะไรแต่งปัญหาเหล่านี้เมื่อพิจารณาแล้วก็จะได้คําตอบว่าคำว่าคนหมายถึงมนุษย์มีส่วนใหญ่ๆรวมกันอยู่สองส่วนคือร่างกายหนึ่งจิตใจหนึ่งร่างกายเป็นส่วนภายนอกของคน จิตเป็นส่วนภายในของคนกายกับจิตรวมกันจึงนับว่าเป็นคนมีแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่นับว่าคนเช่นมีแต่ร่างกายก็เรียกว่าศพไม่ใช่คนมีแต่ใจก็เรียกว่าผีหรือเจตพูดไม่ใช่คนอีกเหมือนกันถ้ามีแต่จิตแล้วก็ยิ่งไม่มีคำจะเรียกทีเดียวเป็นแต่ธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนรู้จักคนอย่างนี้แล้ว ที่ว่าแต่งคนจะแต่งตรงไหนก็ตอบง่ายก็ต้องแต่งที่ร่างกายในวงเล็บหมายถึงปากด้วยและแต่งที่จิตนั่นเองถ้าแต่งแต่ร่างกายจิตไม่แต่งก็เป็นอันแต่แต่งคนเหมือนกันแต่แต่งได้ครึ่งคนเท่านั้นกลายเป็นส่วนปลืกนอกแต่งแต่กายก็งามแต่ภายนอกภายในไม่งามของงามแต่ข้างนอกนี้ ข้าพเจ้าเคยเปรียบว่าเหมือนกับโลงผีคือธรรมดาโลงผีไม่ว่าจะเป็นโลงผีบ้านนอกหรือโลงผีในกรุงลักษณะส่วนใหญ่เหมือนกันหมดคือสวยงามหรูหราแต่ข้างนอกส่วนข้างในสิจะหาสิ่งหน้าอภิรม์สักนิดเดียวก็ไม่ได้ถ้าใครเอาโลงผีมาตั้งไว้เราไม่รู้ว่าเป็นโลงผีเราอาจไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่ก็ได้ เพราะมองดูข้างนอกมันสวยงามดีครั้นเฝ้าออไปเฝ้าออไปพอกลิ่นผีมันออกเรารู้ว่าเป็นลงผีเราก็หมดอาไร์อาวรไม่ใยดีต่อไปคนเราก็เหมือนกันที่เป็นคนลงผีคืองามแต่ข้างนอกก็มียังหนุ่มสาวที่รักกันเพราะความงามภายนอกพ่อแม่ไปสู่ขอให้ไม่ทันถึงกับร้องห่มร้องไห้แต่พอได้แต่งงานกันเข้าจริงก็ไปไม่ถึงไหน โดนด่าเข้าทีสองทีก็เลิกรักกันคำด่าเจ็บๆแสบๆนั้นคือกลิ่นผีมันออกละคนลงผีนี้จะคบหาสมาคมกับใครก็ได้แต่แรกๆพออีกฝ่ายหนึ่งรู้แกวเสียแล้วก็เบื่อหน่ายแม้เขาจะทำความดีอะไรหรือจะรักใครก็ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราควรระวังให้มากอย่าเผลอไปกับคนลงผีและอย่าปล่อยให้ตัวเป็นคนลงผี ทั้งยาปล่อยให้บทธิดากลายเป็นคนลงผีด้วยคือต้องแต่งตัวให้งามทั้งกายทั้งจิตจึงจะนับว่าเป็นคนงามล้วนพูดมาถึงตรงนี้ข้าพเจ้าขอฝากข้อสังเกตไว้ด้วยว่าการประกวดคนงามในประเภทต่างๆที่โลกเขาจัดกันอยู่เวลานี้มีแต่การประกวดความงามส่วนร่างกายซึ่งเป็นความงามภายนอกเท่านั้นหาได้มีการประกวดเข้าไปถึงจิตใจไม่ การประกวดดังกล่าวนี้จึงไม่มีผลคุ้มกันสวัสดิภาพทางจิตใจของสังคมได้เลยต่อไปถ้าเราประกวดคนใจงามด้วยก็จะดีตกลงว่าการแต่งคนต้องแต่งที่กายและที่จิตรวมสองแห่งด้วยกันที่ว่าแต่งอย่างไรก็ตอบว่าแต่งโดยวิธีขับไล่สิ่งไม่ดีไม่งามที่มาเกาะอยู่ที่กายที่จิตออกไป แล้วเอาของดีของงามมาใส่กายใส่จิตไว้เช่นขับไล่ความแข็งกระด้างออกไปจากกายเอาความสุภาพอ่อนโยนมาใส่แทนและขับไล่ความโง่เขลาออกไปจากจิตเอาวิชาความรู้มาใส่แทนนี่ว่าถึงการแต่งชั้นต่ำสูงขึ้นไปก็ได้เก่กับารขับไล่มลทินโทษต่างๆออกไปจากจิตให้เหลือแต่ของดีของงามซึ่งเป็นเนื้อแท้ของจิตลว้ลวน ที่ว่าเอาอะไรแต่งข้อนี้ต้องศึกษาแยกแยะออกไปเครื่องแต่งกายส่วนที่เป็นวัตถุสิ่งของมีเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นต้นทุกคนย่อมทราบอยู่แล้วของเหล่านี้เราได้มาจากนอกตัวต้องซื้อต้องหามีแล้วก็ต้องรู้จักแต่งให้พอเหมาะกับเพศกับวัยแต่งด้วยวัตถุแล้วก็ยังไม่นับว่าดีพอต้องแต่งกิริยาอาการของกายด้วย กิริยาอาการที่ว่านี้ได้แก่การยืนการเดินการนั่งการนอนการกินและอื่นๆตลอดจนการพูดกิริยาอาการเหล่านี้ไม่ต้องซื้อต้องหามาจากที่อื่นเกิดขึ้นจากตัวเราเองใครทำใครได้เป็นแต่ดัดแปลงให้เหมาะเจาะเท่านั้นคืออย่างต่ำต้องแสดงกิริยาอาการเหล่านี้ให้สุภาพเรียบร้อยอย่าให้เป็นภยัยแก่ตนและคนอื่น ให้เหมาะกับกาลเทศะและบุคคลสูงขึ้นไปก็ต้องควบคุมกิริยาอาการเหล่านี้ให้อยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมนี่ว่าถึงการแต่งกายส่วนเครื่องแต่งจิตก็มีหลายชั้นหลายอย่างเริ่มแต่วิชาความรู้และคุณธรรมอีกมากเช่นความสัตย์ความกตัญญูกะตะเวทีความเมตตากรุณาและอื่นๆอีกซึ่งในที่นี้ ข้าพเจ้าขอให้คำจำกัดความไว้ว่าพระธรรมเป็นเครื่องแต่งจิตกายกับจิตซึ่งรวมกันเรียกว่าคนนั้นแต่และอย่างก็ล้วนมีความสำคัญจิตเป็นผู้สั่งกายเป็นผู้ทำแต่ถ้าเอาความสำคัญของกายกับความสำคัญของจิตมาเทียบน้ำหนักกันจริงๆแล้วความสำคัญของจิตมีน้ำหนักกว่าร่างกายของมนุษย์ปราศจากจิตผู้ครอบครองเสียแล้วจะมีความหมายอะไร คนเรานี้จะดีหรือชั่วก็ขึ้นอยู่กับจิตถ้าเสียทางร่างกายเช่นหูหนวกเขาก็ว่าคนเสียหูตาบอดเขาก็ว่าคนเสียตาแขนหักเขาก็ว่าคนเสียแขนคือเสียเฉพาะอย่างแต่ถ้าจิตเสียเสียอย่างเดียวเช่นเป็นคนจิตซามเป็นคนคดในข้องอในกระดูกเขาเรียกว่าเสียคนคือเสียความเป็นคนเอาทีเดียวในทางดีก็เหมือนกัน คนจิตดีแม้หูตาจะไม่สมประกอบเขาก็เรียกว่าคนดีหรือผู้ดีพิจารณาอย่างนี้จะเห็นว่าค่าของความเป็นผู้เป็นคนแท้จริงอยู่ที่จิตเป็นสำคัญการศึกษาและการปฏิบัติจิตจึงเป็นการทำาวบากขันของตนซึ่งไร้ค่าให้มีค่าขึ้นและเสริมค่าของตนเองให้สูงขึ้นการปฏิบัติจิตเป็นการบาบัดเคราะห์ การที่มนุษย์ได้อาศัยกายกับจิตจึงครองความเป็นมนุษย์อยู่ได้แต่มนุษย์ส่วนมากได้ใช้จ่ายสิ้นเปลืองเวลาและเงินทองแทบทั้งสิ้นในการบำรุงบำเรอกายเท่านั้นมัวตกแต่งประกวดประชันกันแต่ส่วนร่างกายทอดทิ้งจิตใจให้สกรปกรกรกกรุงรังขาดการบำรุงรักษาปล่อยให้เป็นจิตที่เหี่ยวแห้งผอมโซหิวโหวยจนกลายเป็นจิตไยต่า ดังที่ปรากฏอยู่ทั่วไปนั้นเป็นพฤติการของมนุษย์ซึ่งปราศจากความยุติธรรมเพราะค่าที่มนุษย์ไม่ได้ให้ความยุติธรรมแก่จิตใจของตนนี่เองมนุษย์จึงต้องพากันหลังน้ำตาพบแต่เคราะร้ายไม่รู้จักจบสิน้นเคราะหร้ายด้วยถูกเพื่อนคู่จิตมิตรคู่ใจพากันเอือมระอาเหินห่างไม่อยากคบหาสมาคมด้วย เคราะห์ร้ายด้วยสามีหรือภรรยาที่ตกลงปร่งใจกันแล้วว่าจะรักกันจนตายแต่มากลับกลายแง้งหน่ายเลิกร้างเสียกลางคันเคราะห์ร้ายที่ต้องสู้ความกับคนนี้เป็นคดีกับคนนั้นไม่รู้จักจบจักสิ้นสักทีเคราะห์ร้ายที่ต้องรับผลแห่งความผิดพลาดซึ่งตนเองก็รู้เกลียดใจว่านั่นเป็นความผิดแต่ไม่อาจยับยั้งจิตใจไว้ได้แล้วทําลง เคราะห์ร้ายที่ตนมีความมืดมนในจิตมืดมนในใจมักเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวบ่อยๆและเคราะห์ร้ายที่สุดยิ่งกว่าเคราะห์ร้ายใดๆสำหรับชาติมนุษย์คือการถูกบัณฑิตตอกหน้าตราชื่อว่าเป็นคนชั่วคนเสียสัพเพเค ร, ะราะห์เหล่านี้ย่อมเบียดเบียนโรมรานคนที่ละเลยการปฏิบัติ จ, จิตของตนอยู่ร่ำไป แต่เป็นนิสัยของมนุษย์เมื่อเคราะห์ร้ายมาถึงตัวมักจะเที่ยวคิดลงโทษคนโน้นคนนี้หาว่าเขาแกล้งเขาทาตนจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แม้เมื่อตนไม่มีความเจริญก้าวหน้าก็พานหาว่าเขาไม่สนับสนุนครั้นหาคนที่จะลงโทษไม่ได้ก็ไปลงโทษผีสางเทวดาเหมาเอาว่าเจ้าพ่อนั้นแกล้งเจ้าแม่นี้ทาตนจึงได้รับความลาบาก หรืออย่างน้อยที่สุดก็หาว่าเทวดาอารักษ์เหล่านั้นเมินเฉยไม่คุ้มครองรักษาตนบางคนก็ไปลงโทษ ด, ดาวเดือนบนท้องฟ้าหาว่าดาวนั้นทับดาวนี้เล็งตนจึงมีอันเป็นไปต่างๆรวมความแล้วเรื่องของคนเรานี้ช่างเป็นเรื่องพิลึกเสียจริงๆที่ข้าพเจ้าพูดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจจะคัดค้านโหราศาสตร์แต่พูดในแง่ความจริงที่ว่า ดวงดาวไม่ใช่ผู้บันดาลหากเป็นเพียงแผนที่บอกเรื่องราวของชีวิตเท่านั้นจิตต่างหากเป็นต้นเขาของความสุขความทุกข์ซึ่งเราเรียกกันว่าเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายการศึกษาและการปฏิบัติจิตของตนให้ดีจึงเป็นการบำบัดปัดเป่าสัพเพเคราะห์ร้ายที่กล่าวมาแล้วนั้นและเป็นการสร้างรากฐานแห่งความเป็นอยู่ด้วยดีของตนเองในโลกเป็นอันว่าคนที่ทอดทิ้งการปฏิบัติจิต ปล่อยให้จิตถูกอำนาจฝ่ายต่ำครอบงำจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยเคราะหร้ายเหมือนคนไม่รู้จักรักษาอนามัยผลที่สุดก็เต็มไปด้วยโรคฉะนั้นตรงกันข้ามคนที่ศึกษาปฏิบัติจิตของตนจะรู้สึกว่าเคราะร้ายเบาบาง Thank you.